สมันตาจักวารสุอัตตราวัชานโตเทวตาสัทธรมมโมุนิราชาสุนันโตสักขโมคตาสักเเกาเมจะรูเป็นคิริสิคราตเตจันตาเลเควิมาเน ที่เปรตเทจะฆาเมตตวนาคเนเขหวาทุมมิเคเตนุมมาจะยันโตเทวาฉลาดทารวีสเมยากฆาคนทำผพนาคา เตถันตาสันเตเกยังโนิวราวจนังสะทวเมสุนันโตธรรมสวรรกาโลอายมภาทันตาธรรมสวรรกาโลอายมภาทันตาธรรมสวรรกาโลอายมภาทันตา